เราอนุญาตไม้หนุนเท้าเตียงสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักขีใช้ไม้หนุนเท้าเตียงสูงสลักติดกับไม้หนุนเท้าเตียงคนทั้งหลายเดินเที่ยวชมวิหารเห็นจึงตาหนิประนามโพนทนาว่า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 อนุญาตไม้หนุนเท้าเตียงสูง8นิ้วเป็นอย่างมาก